ถือว่าอันใดที่ฟังแล้วเป็นเรื่องแปลกใหม่ขึ้นมาก็สงสัยก็ถามได้สิ่งไหนที่รู้แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนเพระคุณเจ้าที่มาที่นีต่ต่างคนก็มีประสบการณ์ในการศึกษาและการปฏิบัติรำมานานปีนะครับเพราะนั้นก็จึงไม่จะบอกว่าแสดงธรรมหรือว่าเป็นการสอบอรมณ์และสุนทรธรรม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 กนเนี้เราตามที่วิริยาวเทนิตัดสรุปเบื้องต้นเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีคาสอนอะไรบันทึกไว้จนพระองค์ปริพรานไว้ถึงสี่ร้อยห้าสิบปีกับห้าร้อยปีสังคยนาขัติสามสี่ร้อยห้าสิบปีถึงได้มีการจะลึกบันทึกพระไตรปิฎก้วเกิดเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาโดยการเขียนต่อจากที่พระองค์ ปริพันธ์มาก็เล่าๆสู่คนฟังมาเรื่อยๆสอยสีห้ารอปีเบื้องต้นที่พระองค์ก็ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกที่ไหน่ไม่มีพระไตรปิฎกก็อาศใสพระไตรปิฎกคือการค้นคว้าตัวเองก่อนหน้ากับเจ้าศึกษาจากเจ้าลรัติต่างๆนะ่า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 ดูกายด้วยท่านดูกายมาก่อนว่าช่จูๆ่ๆจะมาดูจิตเลยไม่ใช่อย่างที่เรารู้กันนะดูกายมาหลายปีแล้วแต่มาหาคำตอบจากมันไม่ได้เมื่อดูจิตเนี่นพูดถึงลักษณะวิธีการของพทธิยานเราไม่ได้เริ่มต้นในเรื่องว่าพระไตรปิฎกข้อไหนอย่างไรแต่เริ่มต้นข้อที่จริงของชีวิตนะเร า, เราไม่ต้องพูดถึงว่าพระไตรปิฎกเริ่มไหนอะไรต่างๆเพราะมันยังไม่มีสมัยที่ท่านแต่สรู้เนี่ยนะพอมาเปลี่ยนมาดูจิตมาเป็นไปทางจิต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 รู้ว่ากายมันมาจากไหนจิตมาจากเรื่ตั้งข้อสังเกตถามยมจนเช้าว่ากายกับจิตนี่ใครเป็นคนสร้างใครใครมาก่อนใช่ไหม ช, ช่วงเช้าแลยคคำตอบว่าไงใครมาก่อนจิตมาก่อนใช่ไหมม น, นูภยพปุพังก็มาทํามานี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจมาก่อนใจถึงก่อนสำเร็จแล้วที่ใจเจนเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจพิพูนําเพราะนั้นเราจ ะ, ะคิด ดีคิดชั่วก็ได้ผลมาจากนั้นถ้าคิดจิตไม่ดีการพูดการทําการคิดก็ไม่ดีถ้าจิตดีการพูดการทําการคิดก็ดีก็มีผลตอมานะก็ลเลยมาเฝ้าดูการทางจิตที่นี้เฝ้าดูจิตแล้วชีวิตที่เรานั่งอยู่นี่มาจากไหนเริ่มต้นทรงนี้ท่านค้นหาคำตอบนะมันมาจากไหนท่านก็เกิดการเรียกว่าวิจัยก่อนว่างั้นเถอะไม่ใช่นี่เลยนะที่พระอาจารย์ท่านตั้งประเด็นไว้ว่าเป็นธรรมวิจัยแล้วก็จะวิจัยจุดนี้ ตามความเป็นจริงว่างั้นเถอะไม่ต้องเอาเรื่องตำรามาตั้งกันละแต่จะมีการอ้างอิงถึงบ้างไม่เป็นไรนะก็รู้รู้ว่าเมื่อมาดูกายดูจิตเข้าด้วยกันก็มาคำตอบเอ้กายนวมะนั่งตัวนี้มันมาจากไหนอ่ะอ่ขั้นกาลำดับไปแบบธรรมดายี่สิบเก้าปีมาปีนี้เป็นปีที่สามสิบห้าแล้วเนี่ยมาจากไหนมาจากท้องแม่ใช่ไหม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 เชา้าเกิดความรู้สึกกี่อย่างสามอย่างใช่หมหนึ่งความรู้สึกชอบสองความรู้สึกไม่ชอบสามความรู้สึกเฉยเฉยเนะี่ยอันนี้พื้นฐานที่สุดของคนทุกคนไปอย่างกั้นหมดจะมีความรู้สึกสามอย่างเนี่ยทีนี้บังเอิญว่าบ่าวสาวคนนี้เห็นกันแล้วลึกเกิดความชอบเกิดขึ้นใช่ไหมนะที่นี่ความชอบมันมาจากไหนแล้วก็ตามไปอีกทุกคนความชอบมันจะจู่จูมันมา เลยหรือก็ไม่ใช่ความชอบมาจากสัญชาตญาณหนึ่งสัญชาตญาณทุกคนมีความรู้สึกสามอย่างคือความรู้สึกสบายไม่สบายระหว่างรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆนะคนส่วนใหญ่ชอบรู้สึกอะไรชอบความรู้สึกอะไรความรู้สึกสบายใช่ไหมทำอะไรก็รู้สึกสบายทีนี้ความสบายมันก็ก็เป็นทุกคนต้องการรักสุขเกียรติทุกเมื่อมีความสบายกาย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 เรียกว่าโสมนัสเวทโสมนัสเวทนา น, นี้เราเริ่มอ้างถึงภาษาตำราแล้วนะความชอบใจแล้วก็ความชอบทางกายเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อความรู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ชอบก็อชอบเมื่อเกิดโสมนัสเวทนาก็คือรู้สึกชอบใจเมืม่อคือแต่ว่าผู้ที่ตามสัรพเติญาณของสัตว์แล้วเนี่ยเมื่อเกิดความชอบตามลําดับเนี้ย เขาจะมีสติรู้ไหมว่าตอนนี้ความไม่ความสบายทางกายเลื่อมเข้าไปสู่ใจว่าฉันชอบใจแล้วนั้นเนี่ยเขามีสติรู้ไหม mm hmm. ไม่รู้นั่นเพราะตัวไม่รู้นี่เองก็ความชอบใจจึงไม่ได้อยู่แค่นั้นมันก็เปลี่ยนมาเป็นความอะไรติดใจจิตใจภาษาเขาเรียกว่าอะไรอภิชาอภิชาโลเกตผมอ่าความติดใจเออไม่ชอบอยากจะได้ให้มากกว่า น, นั้นความติดใจก็เลยกเส็บ เขเสพเพลินในในความติดใจนั้นเรียกว่านันทิอ่าพอระหว่างความติดใจเปลี่ยนเป็นนันทิเขารู้ตัวไหมว่ามันเปลี่ยนเป็นนันทิแล้วนะฉันชอบฉันเพลินอะไรเลนี่ไม่รู้อีกเพราะไม่มีสติไม่มีตัวรู้ใช่ไหมอ้าวไม่มีตัวรู้ทีนี้อนันทิคือความเพลินพุทธเจ้าบอกให้ละนันทินะแต่ว่าเราเราผ่านไว้ก่อนตรงนี้มาถึงประเด็นนั้นแล้วนันทิมันอยู่แค่นั้นไหมเพราะนันทิมันเกิดจากหลักของอะไร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 ก็เปลี่ยนนันทิเป็นราคานันทิราคาสหัคตะใช่ไหมในธรรมจกักรราคาระหว่างนันทิเปลี่ยนเป็นราคาเนี่ยท่านมีสติรู้ไหมก็ไม่รู้เพราะไม่มีตัวรู้ทีนี้พอมันเปลี่ยนเป็นราคาราคาจำกัดอยู่แค่นั้นไหมอยู่ไม่ได้เพราะเป็นไปตามกฎอนิจจังราคาก็เปลี่ยนเป็นอะไรกามฉันท ะ, ะมาเป็นตัวที่หนึ่งของนิวนเลยนะเห็นไหมมันตัวที่ สบายกายเปลี่ยนมาเป็นตัวสบายใจชอบใจเปลี่ยนเป็นติดใจมาเพลินใจมาการมฉันทะใคร่อยากลำดับที่ห้าถึงมาเป็นตัวที่หนึ่งของการมฉันทะแล้วรู้ไหมว่าตัวเนี้ราคาเป็นปนการมาฉันทะนะั่นรู้ไหมก็ไม่รู้อีกใช่ไหมอ่ามาเป็นอุปสรรคตัวที่หนึ่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่มายังไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่มาเป็นตัวที่หเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแล้วการมาฉันทะ สำหรับคนทั่วไปคือความใคร่ในการในแง่ของอายตนะใช่ไหมแต่สําหรับนักปฏิบัติไม่ใช่แล้วมีภาวะอุทิติภาวะจิตสูงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นภาวะของผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติกมาม่ฉันท่ต่างกันกาม่ฉันท่ของผู้ปฏิบัติมันจะออกมาในรูปของอะไรทําไปถึอมามันไม่สบายอ่ะใช่ไหมแต่เราชอบอยากจะให้มันสบายติดความสบายพอทําอะไรยกมือนี่ไม่สบาย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 สมมติว่ามาถูกตอบสนองการมัชชนทะทุกเราทั้งคือความพอใจมีสติไม่รู้ไม่รู้เท่าทันอีกการมัชชนทะก็เปลี่ยนมาเป็นตันหาการมัตันหาเมื่อตันหาขยายตัวเป็นสามตัวมีสติรู้อีกไหมไม่รู้เพราะไม่ได้เจริญสติตันหาก็เปลี่ยนมาเป็นอุบาทานก็เปลี่ยนมาเป็นโลภะหลงพ่อจะไปไว้เลยนะพราะรายละเียเยอะระหว่างโลภะ รู้เท่าทันไหมไม่เท่าทันก็มาเป็นราคานุสัยโลพานุสัยเป็นกามุปาทานแล้วกลายมาเป็นกามาสวะดูดิ ي, รู้ท่องมันน่ะไปถึงกามาสวะคือการติดใจชอบใจเป็นนิสัยเป็นบุคลิกลักษณะไปเลยเห็นใครเขาชอบเห็อะไรก็รักโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีนี้มันไวมากมันพัฒนามาจากหนึ่งอะไรสุขเวทนาไม่มีสติตามรู้ทันสุขเวทนาพัฒนามาเป็น โสมนัสเวทนาไม่มีสติรู้ทานอีกโสมนัสนาเปลี่ยนมาเป็นอภิชาอภิชารก็รู้ไม่เท่าทานอีกเปลี่ยนมาเป็นนันทินันทิก็ไม่รู้ทานอีกเปลี่ยนมาเป็นกามัฉันทะเป็นมาเป็นกามตัญหาเป็นมาเป็นพวตัญหาเป็นมาเป็นวิภวตัญหาเป็นมาเป็นอุปาทานเป็นมาเป็นกามุปาทาน เป็นมาเป็นโลภะเป็นเมื่อเป็นราคะนิสัยเป็นมือการตั้งสิบกว่าอย่างสิบห้าอย่างกว่าจะมาลงตัวเนี้ยเห็นไหมอันนี้ลําดับให้เห็นไวัยนะแต่เนื่องจากขาดอะไรตัวเดียวถึงมันขยายรากไปขนาดนั้นการวิชาัญธาขยายรากไปขนาดนั้นเพราะอะไรขาดอะไรขาดตัวรู้อ่ามันถึงขยายรากไปเรื่อยๆเพราะไม่ได้รับการลดน้ําคือตัวไม่รู้อวิชชา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 ด้วยความไม่รู้ท่านทบทวนไปทุบทวนมาพอมาถึงตรงนี้ปัป๊บท่านอ่าสว่างอุทานออกมาแรกเลยอุทานว่าไงครั้งแรกที่มาเห็นรากของตัญหาท่านทานว่าไงอนนี้กาชาติ ส, สร้างซาลังแล้วเสด็ทุกวันใช่ไหมสันทาพีสร้างอันนี้พิส้างไม่กี่สวดไปไปไถึงอันนี้พิสัางข้าหาการังเขเวชสั่นโททุกข้าชาติปุรณะปุนังอ๋อเมื่อเราไม่มีสติไม่มีตัวรู้จิตของเราเนี่ย มุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอเนกอนันตราชาติบัดนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้ทําให้จิตหมุนไปทุกขาชาติปุณณพุนังทําให้จิตหมุนไปทุกเกิดบ่อยๆเพราะไอต้ตัวตัวตัวอยากนี่เองอ่าดูก่อนเจ้าหาเจ้าตั ว, ตวเรารู้จักเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะมาทำเลือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปอ่าโค้งเรือนแล้วก็หักเสร็แล้วยอดเรือนโค้งเรือนคืออะไรขันนั้งห้ายอดเรือนคืออะไรคืออวิชาลือละ วิสังขาระคตังจิตตันตัญหาหนังขยมามัจฉาจิตของแล้วถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรที่จะมาปรุงไม่ได้ต่อไปมันได้ถึงความสิ้นอยากคือนิพพานอุทานแรกเกิดขึ้นเลยท่านก็ดูต่อไปอีกอ๋อนี่ความรู้ประการที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วปุปเพนิวาสานุสติยานได้รู้ลำดับความเป็นมาว่าก่อนที่จะมาถึงจิตมาเป็นอย่างเนี้ยเพราะอะไรแต่ในคัมภีร์ท่านบอกโอ้เรียนได้รู้อดีตชาติชาติแล้วไปเกิดทั้งนั้นเป็น ก็เป็นคัำพีห้าร้อยชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติขึ้นมาคัมภำพีอะไรอะ่ะพระเจ้าสิบชาติขึ้นมาใช่ไหมบำเพ็ญบารมชาชาีชาตินู้นชาตินี้อันนั้นสมมติก็ว่ากันไปละแต่ความจริงก็คือขณะจิตแค่นั้นเองว่าลําดับรูปมาไปอย่างเงี้ยแล้วแต่สมมติกันไปก็กลายเป็นศีลธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรเป็นอันนั้นมาเราก็มาใช้กันแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของสมมติแต่ปรมัติคือจุดเนี้ยจุดเกิดของมันได้รู้ที่ไปเมื่อลําดับนี้อ้าว <c oughs> แล้วถ้าตัวสุขเวทนาเนี่ยมันทําให้เกิดรากอย่างนี้แล้วสุขเวทนานี้เป็นไปตามกฎของอะไรอันนี้จังใช่ไหมไฟดับแนละ้วมันไปตามกฎของนิจังเมื่อดำกดของนิจังแล้วสุขเวทนาจะทนอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรความสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบาย ความไม่สบายทางสแสดงประธานที่ที่หมดเนาะตามให้ทันนะค่อนข้างละเอียดเลยนะวันนี้เพราะว่าเราปฏิบัติกันมาทั้งวันเนี่ยให้ฟังฟังทีเดียวพอตอนตอนเย็นตอนตเช้าเช้า ว่าความสบายเป็นไปตามกฎอดีตจังเพราะงี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นความไม่สบายจากสุขกเวทนาเปลี่ยนมาเป็นทุกขบเวทนาเพราะนั้นสุขกับทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งคนละสิ่งเดียวกันสมัยนี้เขาเขาชอบํำนวนอย่างงั้นคนละสิ่งเดียวกัน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 เปลี่ยนมาเป็นความไม่สบายนะเพราะคงมๆเงยๆนไม่สบายกันกนเพราะมันไม่เทียมกันทำไมนี่นะเที่ยงเลยไปอยู่หุ่ น, เ, นเจ้าปรับไม่แ่ได้เลยรนะครับเห็นไหมนี่คือลักษณะของอนิจจังอย่างแต่ความที่เราใช้สติปัญญาในการจัดให้มันถูก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 เพราะว่าเป็นกฎของอนิจังก็คือตัวก็ย้อนขึ้นมาเอาอ น, นิจังมาจากไหนเนี่ยนี่นี่คือลักษณะของพระพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นป๊อเนี่ยถ้าจะตามเลยเอาอนิจังมาอย่างไหนก็ให้เกิดทุกขงังอ น, นิจังกับทุกขงังอ่ะทำไมอันนี้กายานุาตัวสุขงังแล้วก็เกิดแสดงว่ามันจะต้องมีตัวร่วมอ น, นิจังทุกขงังอนัตตาอันนี้สุขทุกข์แล้วก็อะไร อทุกขมสุขแสดงว่ามันจะต้องเป็นตัวร่วมใดอันนึ่งอันใดหนึ่งแสดงว่าอ น, นิจจังสุขขังเข้าด้วยกันไหมทุก ข, ขังกับทุกขเวทนาทางกายไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็อนัตตากับตัวอทุกขมสุขเวทนาไปด้วยกันนี่นี่ น, นี่มันมันบอกลางบอกเหตุว่า ม, มันแมทกันตรงนี้อ้าอย่างั้นก็แสดงว่าตัวอ น, นิจจังสุขก็ต้องเป็นอ น, นิจจังและ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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยโดยดย ด, ดต้องอาศัยกันเกิดขึ้นนะั่นอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นแล้วคุณเจ้ามันได้แค่นี้นะเอามุนอามุนได้เต็มที่นะเอเอกำลังกาลังปรับอ่าเอาละมันเป็นอนัตตาท่านแล้วก็ควบคุมไม่ได้เลยเอาละครับขอบใจมาก เห็นไหมต้องใช้ปัญญาถึงสองคนถนะึงเอาอยู่นะ <c oughs> นสติปัญญาคนเดียวเอาไม่อยู่นะ <c oughs> เพราะนั้นเราใช้ปัญญามากๆเลยเห็นไหดังนั้นเมื่ อ, เ, อเป็นอย่างนี้ตรงนี้ต้องย้ำตรงนี้เพราะเป็นเรื่องสาคัญนะที่เเรื่องวิจัยต้องให้ละเอียดตรงนี้ว่าตัวไม่สบายตัวสบายเป็นมาจากเป็นความไม่สบายความสบายก็มาจากความไม่สบายและความไม่สบายก็มาจากความสบาย สุขก็มาจากทุ ก, ทก ข, ข์ุกเพราะนั้นสุขกับทุกข์ก็อันเดียวกันว่าเราเข้มขึ้นมันเป็นทุกข์มันอ่อนลงมันเป็นสุขสิ่งเดียวกันใช่ไหมเพราะนั้นเราแสวงหาสุขก็เท่ากับแสวงหาอะไรหาทุกข์นั่นเองจบไหมไม่จบมันก็จะแสวงหาไปอย่างนี้ตลอดเวียนว่ายตายเกิดกี่พกี่ชาติตราบใดที่เราแสวงหาสุขกับพิทณาอยู่เราก็จะไม่จบเวียนอยู่อย่างนี้กี่หมื่นกี่แสนชาติ ในที่สุดท่านก็ได้คมรู้ขึ้นมาว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเวทนาทั้งสามก็มาจากไตรักษณ์นั่นเองไตรลักษเป็นของที่มีอยู่ก่อนไหมเขามีอยู่ประจําโลกก่อนไหมมีอยู่ก่อนแล้วถ้ามันมีอยู่ก่อนมันก็ต้องมีที่เกิดมันต้องมีที่มาแล้วที่มามันคืออะไรไตรักอันนี้อย่างพุทธะนาตตาเพราะในผูุ้ดธศาสนาถึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีเหตุใช่ไหมอันนี้เหตุของเหตุอะเหตุของเหตุคือของ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 กับทุกขังเนี่ยอ น, นิจังกับทุกขังตัวไหนเป็นตัวเกิดตัวไหนเป็นตัวดับในโลกเนี่ยในจักรวาลมันมีพลังอยู่แค่สองอย่างมีของสองสิ่งคือรูปธรรมกับนามธรรมใชม่ในส่วนที่เป็นนามธรรมภาษาวิทยาศาสตร์เขาใช้คาว่าเอ e r g y ถ้าในาส่วนที่เป็นรูปธรรมทางภาษาวิทยาเขาเรียก อ, อะไร โมเลกุลหรืมชใช่ไหมอ่าเอนเนอร์จีและโมเลกุลคื อ, อสสารและพลังงานพลังงานคือตัวนามธรรมาแล้วก็ตัวสสารคือตัววัตถุเพราะฉนั้นโลกนี้มีแค่2 อ, อย่างคือสสารพลังงานแต่ภาษาธรรมะเราเรียกรูปธรรมนามธรรมมีแค่2 อ, อย่างในโลกจกักรวาลนี้มีแค่2 อ, อย่างสแสดงว่าของสอย่างคือแต่ละเกิดมาจากของ2 อ, อย่างของสองอย่างคือการสสารกับพลังงานตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับ อ, อย่าฟังเพลินเอาน้ำมาหนึาาน่งแก้วเกมันก็ต <c oughs> ้องมาจากพลังงานก่อนจะเกิดได้อะไรเกิดพลังงานอะไรเกิดจากพลังงานมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอะไรมีอยู่ <c oughs> พลังงานมีอยู่มีอยู่ก่อน อะไรมีอยู่ก่อนระหว่างพลังงานกับทุกับสาสารในจักรวาล น, นี้โลกนี้ก่อนที่มันจะเป็นจักรวาลเนี่ยมันมืดมาก่อนนะไม่มีอะไรเลยเป็นพลังงานมืดพลังงานอันหนึ่งจะเป็นพลังงานมืดและต่อมาก็เกิดอะไรนะเกิดความมันไปไกลทีนี้นะตั้งแต่พรหมมันมาเจอโลกนี้มันเป็นเหมือนวุ้นะ่ะตั้งแต่นู่นเลยนะยังไม่เกิด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 พัฒนาทุนธรรมมาเป็นขนาดนั้นนะแต่นั่นเป็นความรู้ที่เป็นสมมุติแต่ปรมัตมันเป็นมาอย่างนี้ที่นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อได้แต่ตามที่ว่าเกิดนั้นโดยที่ตามสมมติที่เราพูดในพัฒนาบิดดกหรือในในชาดกมันก็เรียกว่านักวิทยาศาสตร์มันรับไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ไปที่มาแต่ที่เราพูดกันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รับได้เพราะมีที่ไปที่มาใช่ไหมต้องว่ากันตามปรมัตที่เป็นรูปธรรมเสร็จแล้วอะนิจังเป็นตัวเกิดเรืดุดับ เพราะฉะนั้นตัวอนิจจังจึงมีมาก่อนทุกขังเนี่ยเพราะมันมีเกิดดับในตัวของมันเองได้อนิจจังเนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมันจะต้องมีการหมุนเวียนและใช่ไหมเกิดดับในตัวของมันเองได้เขาเริ่มเป็นปรมาโน่ไงเป็นอนุภาคธแต่นุ่นมาเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นนิวเคลียสที่มันมีการขยับโดยตลอดเวลา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 อย่างเนี้ยมาเป็นตัวที่สองคือจุตูปัฏฐายานแต่ในจุดูปัฏฐายานในคัำพีวุทิเจ้าเห็นการเกิดสรรพสัตว์ที่เกิดก็เห็นแน่นอนเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะอะไรสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดมาจากตัวสิ่งเหล่านี้มาจากอนุมาจากปรามณุมาจากกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสรรพสัตว์เกิดมาจากนี้ท่านเห็นตัวปรมัตดตรง น, นี้สมมุติก็ต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างปรมัดที่ท่านที่พระองค์ตรัสนี้คนก็เข้าใจไม่ได้พราะเป็นปรามัด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 แบ บ, แบบสมมุติต้องว่ากันอย่างนี้ถึงจะเข้าใจแอะ เ, อเย็บชาติก่อนเคยเป็นพ่อพรหมมาก่อนชาตินี้ก็เราเกิดมาเป็นมนุษย์อนี่ว่าเข้าวัดอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะอย่างเงี้ยสื่อความหมายกันได้แล้วใช่ไหมว่าเห็นการเกิดดับอย่างนี้เป็นรูปธรรมพิสูจน์ได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นเมื่อมันมีที่มาคือปุเพ น, ะนิวาสานุติยานและมันมีที่ เกิดคือจุดูปาปัตยานแล้วมนุษย์เป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมทีนี้เพราะไปสําคัญตัวตนที่เกิดมาด้วยอํานาจของสิ่งประกอบทั้งหลายนะ่ะเป็นตัวเองตัวทุกข์มันเกิดตรงนั้นไปสําคัญผิดเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะไม่ให้ทุกข์ต่อไปก็มีทางเดียวคือต้องเอาความสําคัญผิดออกไป สำคัญผิดว่านี่คือตัวเราของเราใช่ตัวจริงมันไม่ใช่มันประกอบมาตั้งแต่แรกๆนั่นอะท่าสี่มันมาเกิดขันหใช่หลรากเดิมของมันนะ่ะเกิดขันห้ามาเป็นอายะตนะสิบสองาสี่แปดอินทรีย์ก็ว่าไปตามเรื่องแล้วทีนี้เป็นวิปัสนาภูมิแล้วตัวนี้เห็นไหมถ้าอย่างนั้นเราก็เอาตัวก็พยายามเอาออกด้วยขจัดอาสวะเอาอะไรมาขจัดก็เกิดตัวรู้เรียกว่าวิชา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 ถ้าเราไปกําหนดติดตามตัวไตรลักษณ์ที่แสดงในรูปธรรมทันปับ๊บตัวไตรลักษณ์ทางรูปก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นไตรลักษณ์ทางนามได้ไตรลักษณ์ทางนามที่เกิดกับจิตได้แก่อะไรความพอใจเป็นอันนีจังความไม่พอใจเป็นทุกขงังความไม่รู้ใจเป็นแต่ในเวทนาทางจิตไม่เป็นอุทกมสุเวทนานะ แต่ไอไตรลักษณ์ทางจิตเปลี่ยนเป็นอุเปขาเวทนาสโมสมนัสสเวทนาเปลี่ยนเป็นโทมนัสสเวทนาเปลี่ยนเป็นอุเปกขาเวทนาคือการอุเปขาเวทนาก็อุเปขาสัมโพชงในกนละอย่างนะอุเปกขาสัมโพชงหมายถึงรู้ที่ไปที่มาแล้วเฉยๆรูๆๆ <S <S ๆ้เฉยๆแต่อุเปขาเวทนาหมายถึงรู้แบบไม่รู้ เฉยแบบไม่รู้แต่หลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์หรือเจ้าคุณธรรมพิโดกหรืนี่เป็นผู้ ด, ดูดโคสาย า, ยาแล้วนะท่านให้จำกัดความม่ดีมากว่าเฉยเมยกับเฉยมองอุเปขาเวทนาคือเฉยเมยอุเปขาสัมโพโชงคือเฉยมองเพราะในสัมพโชงก็มีอุเปขาเพราะในเวทนาก็มีอุเปขาเพราะนั้นก็มีอุเปขาสองตัวเพราะฉะนั้นเราทุกข์เพราะเฉยเมยใช่ไหมแต่เราจะหมดทุกข์เพราะเฉยมองอ่านี่ได้เรื่องละทีนี้ นั่นเมื่อเป็นอย่างนั้น อ, อ๋อ น, นี่เรารู้พูดถึงเรื่องความรู้ที่พระเจ้าแต่รู้มานะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าไต่ปิฎกนะแต่ว่าเราก็ยู่พระธรรมปิฎก ok มาพูดให้ฟังมันมาจากนั้นแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเรามาเจริญพิปัสานาอย่างถูกต้องแล้วมันจะว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรเราก็จะตามเห็นได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างถูกต้องเราก็เดาเอาแหละว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างโน้น อ, อย่างนี้ว่าไปตามทิฏฐิของตัวเอง ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสวาคาตธรรมว่าสิ่งใดที่เราตถาคตรู้มนุษย์ทั้งหลายก็รู้เหมือนอย่างเราได้แต่ที่เราไม่รู้มันอย่างเราเพราะมันทำไม่ถูกไม่เป็นสมาทิฏฐิก็ไปเดาเอาเดาไปเดามาก็ผิดไปเลยเกิดเป็นลทัทธินิกายมากมายอย่างที่เราเห็นนนนะตามทิฏฐิ ท, ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ทิฏฐิ ไม่กล้าถามพระเดี๋ยวพระตอบเสียก่อนเราเราจะไม่ได้ความรู้ไม่ใช่มันมีคำว่าสมาธิถิด้วยไงความจริงตัวสมมาธิฏิกับสัมมาสังกปะในองค์มรรคมันเป็นปัญญาแต่ทำไมเริ่มต้นด้วยสมาธิฏฐิสมมาธิฏฐิความจำกัดความของสมาธิฏีิคืออะไรบ้างสี่อย่างใช่ไหมคือเห็นว่านี้เป็นทุกข์เห็นว่ารูปเนี่ยเป็นทุกข์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 ข้อลบมากกว่าข้อบวกข้อบว ก, บวกลบเดี๋ยวช็อตกันหรือไฟกระพริบปป๊บ ป, บปบัแต่เพราะว่าข้อบวกข้อลบทํางานคงที่ปับ๊บวนการหมุนความเร็วคงที่ฟรีคูรซีคงที่ปับ๊บกลายเป็นนิ่งและสว่างจิตของเราเหมือนกันถ้าการเกิดกับการดับในจิตของเราสมดุลกันเนี่ยนั่นคือความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่ที่เราเกิดทุกข์เพราะว่าบางทีชอบมากกว่าไม่ชอบหรือไม่ชอบมากกว่าชอบ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 เรียมันไม่ชัดไม่ชัดว่าถ้ารู้ชัดๆลงไปเออนี่สุกนะมันก็สุกรู้ชัดๆลงไปนี่ทุกนะแต่ขณะอทุกข์เขาไม่สุกมันเกิดตอนไหนอ่าตอนเปลี่ยนนในโยบุตรทุกขเขาไม่สุกเกิดเปลี่ยนในโยบทขณะนี้ามาจะเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่ามันไม่สบายแล้วใช่ไหมขณะที่เราขยับเปลี่ยนเนี่ย ขณะนี้ช่วงต่อของการเปลี่ยนสุขไปสู่ทุกนี่เองมันเป็นอะทุกขมสุขจะบัญญัติว่าสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่เชิงลักษณะอทุกขมสุขนี้ท่านจึงบัญญัติว่อาอะทุกขมสุขเวทนาแต่พอไปเป็นเวทนาทางจิตท่านใช้คําว่าอุเบกขาคือไม่ชัดรู้แบบไม่รู้รู้อยู่สุขเป็นไปทุกข์ทุกข์เป็นไปสุขแต่ว่ารู้อยู่แต่ว่าไม่รู้มันเปลี่ยนกันตอนไหนเพราะในขยับไม่รับรู้ แต่พอสติมากําหนดเอาหลทกธินพุทธถึงตัวสติแล้วนะสมมุติว่าสตินั่นคือพอมารู้เรื่องนี้ปั๊บเปลี่ยนสติเปลี่ยนมาเป็นญาณญาณขึ้นก่อนเลยเพราะฉะนั้นเวลาท่านตรัสในธรรมจักรพระนระสูตรอะจากของอุทัปปะที่เกิดจากสุ ข, ขึ้นมาได้เกิดสติขึ้นมาได้ยานังถัดมาเลยใช่ไหมไม่เอาบัญญาขึ้นก่อนไม่เอาวิชาขึก่อนอโลโกมเนะี่ยเอายานังขึ้นก่อนเลยตัวรู้ตัวรู้ทางจิตเรียกว่าญาณตัวรู้ทางกายเรียกว่าสติ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 ดินน้ํำลมไฟไม่สมดุลกันเรานั่งตรงนี้เราไปทับเส้นอะไรเส้นท่อเลือดท่อลมแล้วมันก็แทนที่มันจะ เ, เลือดลมเซลล์ต่างๆแทนที่มันจะหมุนเวียนเลือดลมไปสู่เซลล์ต่างๆร้อยเอร์เซนใช่ไหมพอตรงนี้ถูกกดทับปับ๊บเลือดลมเข้าไม่ผ่านตรงนั้นเกิดการบาดเจ็บมันก็ดิ้นรนทีมันก็ปวดเลยพอเราขยับปับ๊บเลือดลมผ่านเข้าไปจุดทันทีความสบายเกิดขึ้นแสดงว่าเลือดลมไหลผ่านไปนั้นเราไปบล็อกกดของอานิจัง การเกิดถูกบล็อกเพราะแทนที่ไอ้เลือดลมที่มันจะไหลผ่านเซลล์ที่เรานั่งทับอยู่มันไหลผ่านไม่ได้เพราะน้ำหนักมันทับอยู่พอเราขยับยกปับ๊บตัวเลือดลมถ้าสี่ไหลผ่านปับ๊บความเบาสบายเกิดขึ้นทันทีนั้นถึงว่าความสมไม่สมดุลระหว่างเกิดกับดับมันน้งไงเพราะมันเกิดแทนที่จะไหลเวียนอย่างสมดุล น, น่ยใช่ไหมมันกลับไปสตักตรงนั้นเพราะมันถูกกดทับเอาไว้ ด้วยน้ำหนักคางแรงดึงดูดของโลกถ้าอย่างนั้นจะทำไงให้มันสมดุลในร่างกายนี่สมดุลไม่ได้มีแต่แก้ไขเลื่อยไปตลอดไปท่านว่าทุกทางกายมีแต่บำบัดแต่ทำให้หายขาดไม่ได้ทุกทางกายมีแต่บำบัดก็เรียกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขแต่ทำให้หายขาดไม่ได้เพราะนั้นความทุก ของกายความสบายของกายความไม่สบายของใจจึงไม่ถือว่าเป็นสมูทยัยถือว่าเป็นความไม่สมดุลของธรรมชาติอันหนึ่งแต่ตัวที่จะเป็นสมูทยัยตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าความ ส, สุขเปลี่ยนเป็นความทุกข์เนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเปลี่ยนยังไงนั่งอยู่สบายๆใช่ไหมสักพักมันก็นหนักขึ้นถามว่ามันมันเปลี่ยนเป็นไม่สบายได้อย่างไรไอ้ความสบายไม่ีนะ้ยเนี่ย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 โอ้โหเรื่องนี้ปัญญาของพุทธเจ้าลึกซึ้งมากเราไม่มีศาสนาองค์ใดในที่มาพูดอย่างนี้ให้เราฟังใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าแต่ก็น่าอาศัศจรรย์ที่ว่าพวกเราปฏิบัติแล้วก็รู้ตามท่านได้ว่ามันเป็นอย่างเนี้แล้ววิทยาศาสตร์วิพิสูจน์ได้ด้วยสิ่งที่อาจารยกล่าวถึงเนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสุขเพราะกฎของไตรลักษณอ่าอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้ <c oughs> นั่งสบายสบาย เปลี่ยนมาเป็นหนักเขาเปลี่ยนเขเป็นเบาสำหรับหนักสำหรับเบาแล้วตามวันหนึ่งถ้าคนไหนตามดูกรรมหนักของเบาเกิดขึ้นในร่างกายของตัวเอง25ปซขึ้นไปเนี่ยคนนั้นตาเปิดแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแค่25เปอนตะไม่ต้อง100อซนะหมายความว่าคุณพลิกไป100ครั้งเนี่ยคุณรู้มันทันตามรู้ได้ถึง25ครั้งทุกครั้งไปนะไม่ใช่ตามรู้วันนี้วันอื่นไมหมนาทีอื่นชั่วโมองอื่นฉันไม่รู้นะฉันรู้ทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะ ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้ถึงยี่สิบห้านาทีออใอในหนึ่งชั่วโมงได้ถึงสิบห้านาทีคอเตอร์ห น, นึ่งอ่ะตามรู้ถึงการเกิดและการดับการสบายไม่สบายที่เกิดกันต่อเชื่อมกันอย่างเงี้ยได้ถึงสิบห้านาทีในหนึ่งชั่วโมงได้ถึงยี่สิบห้านาทีในร้อยในในร้อยนาทนีนี่ได้ดวงตาเห็นทําเราคนนี้เป็นพระโสดาบันมันไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องวาสนาบรารมีที่จะรู้ไม่ได้แต่ว่าเราจะเอาไม่เอาเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นท่านให้มี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 แต่ว่าได้พบคนรู้จริงไหมเมื่อพบกระเรียมิตรผู้รู้จริงจะให้ปัญญาเราสามประการปัญญาดับแรกที่สุดคือสุตตะมยะปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วคนนั้นเอาไปไข่คนพิจารณาตามเออใช่ใช่ใ ช, ช่เอออันนี้ไม่ใช่นะพูดผิดนะเออนี่ใช่นะพูดถูกไนะข่คนตามตรงนี้ปัญญาดับที่สองเกิดแล้วจินตามยะปัญญาแล้วคนนั้น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 ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาตั้งใจทําพิสูจน์แล้วเกิดปัญญาแล้วถึงเชื่อนะแล้วพอเชื่ออย่างนี้โอ้กูไปทําอะไรมาตั้งนานกูไม่รู้เรื่องนี้เลยได้สติเพิ่งได้สติสติสมยักษเกิดต่อไปก็ตั้งใจตามรู้เรื่อยๆละจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินไม่คลาดสายตาเลยตรงนี้คือเส้นทางไปสู่ตัวมักขุล่ะอ่า แต่ทีนี้เราจะมีศรัทธาขนาดนั้นที่จะตามดูรเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องสบายไม่สบายวันวันวันเนี่ยมีศรัทธาขนาดนั้นไหมถ้าไม่มีคุณก็รอไปก่อนรอไปชาติหน้านะหรืชาติไหนก็แล้วก็ได้แต่ถ้าคุณทําเรื่องนี้จริงคุณจบในชาตินี้จริงๆเพราะเศรษประฐานสูตรท่านประกันเอาไว้ใช่ไหมถ้าคุณขยันทํานี้สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนแต่ถ้าคุณทำแบบขี้เกียจขี้เกียดไม่เกินเจ็ดปีแต่วิสนายังไม่มีก็อาจจะชาติหน้า พระ อ, อนุนบวชกับพระพุทธเจ้ากี่ปีแต่ตอนที่พระ อ, อนุนบรรลุธรรมนี่ในพรรษา ท, ที่เท่าไหร่ครับแต่ท่านออกบวชคงจะใกล้เคียงกันนะก็สี่สิบห้าอันนี้เกินหลักสูตรละแทนที่จะเจ็ดปีใช่ไหมแต่ท่านสี่สิบห้าปีพระพุทธเจ้าปรินิพานเราท่านยังไม่บรรลุธรรมเลยอะ่ะอันตรงนี้แล้วบารมียังไม่ถึงไงบารมียังไม่ถึง แต่ความจริงท่านได้ดวงตาเห็นธรรมจากไม่ใช่ได้จากผู้ดีเจ้านีบรรลุธรรมก็ไม่ใช่บรรลุผู้ดีเจ้านะราร พ, านะพระอนุนนะ่ะอยู่กับพระพุทธเจ้ามาตลอดชีวิตไปได้ดวงตาเห็นธรรมกับใครพระปุณณนะมันตานีบุตรใช่ไหมพออยู่ใกล้พระพุทธเจ้ากิดไปมีชินกันไม่ค่อยเชื่อกันเลยไปฟังคนอื่นที่เขาพูดเออสะกิดใจตอนพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ยังไปอุตส่าห์ไปนั่งร้องไห้นะพระอนุนนะเป็นเหนี่ยวบันไดที่ไหนร้องไห้ตามประวัติเขาว่าไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า หลักสูตรที่ท่านตัดมิติประธานสูตรอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงเจ็ดปีอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดวันถึงเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุด ต, ตั้งแต่เจ็ดเดือนถึงเจ็ดปีเออย่างช้าที่สุดเจ็ดปีทําไปพี่เหียดหลังจากคุณทําบ้างไม่ทาบ้างนะนี่เขาเรียกว่าได้ส ม, มาทิฏฐิละเพราะได้สติสัมปชัญญะได้สติมมัญญาก็เกิดอะไรก็เกิดการไข่ค ร, ครวนอยู่ในสมุมาลจิการ พอใครควรแล้วเกิดระวังสังวร น, นะเกิด e ีสีสังวรพอาะวางสังวรตัวเองมากขึ้นระวังการพูดระวังการทำระวังการคิดไม่ให้มันผิดเรียกว่าสุติรีสามแล้วมีโอกาสมาเจริญสติปัฏฐานสีอย่างเนี้ยจะเร็วขึ้นถ้าว่าตามวิชาสีบนะเริ่มต้นแต่แต่กระยะนิมิตรปัญญาศรัทธามาเรื่อย ไปถึงวิวชาและวิมุตต์นี่มันแค่จะไปเขาก็มาบัญญัติไปหลักสูตรที่หลังเรื่องเหล่านี้นะทีนี้อ่เรายังไม่คือประเด็นที่ว่าเมื่อกี้ย้อนไปประเด็นที่ว่าตัว <c oughs> สุขเขไปธนาไปสู่ทุกเขเวทนาเราไปสู่อทุกขโมสุขเขไปนาเมื่อไม่เสร็จไม่มีสติตามรู้สุขกลายเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์นี่มันหายไปอย่างไรแล้กวก็สุขมันหายไปยังไงมันเกิดมาบนกันอย่างไรไม่ได้ตามรู้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 เพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดปัญญายังไม่พบกริยะนานมิตแต่พบปัญญาได้กิริยะนานมิตแล้วตัวนี้ก็ยังไม่พออีกตรงนี้เองจึงนำมาสู่ความเพียรไงศรัทธาต้องนามาสู่ความเพียรถ้าศรัทธานั้นไม่นำมาสู่ความเพียรเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้เกิดจากปัญญาตัวนี้เป็นตัวดัิน มีศรัทธาก็จริงแต่ว่าพอลงมือทาความเพียรคุณทำปอบไปแป๊คุณก็หนีแล้นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงรูเข้าไปเรื่องอื่นละ่ะคุณไม่ได้ตามรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังพอลงมือความเพียปรปอบปุนสามารถเดินได้ทั้งวันนั่งได้ทั้งวันด้วยใจรักนะครูบาอาจารย์จะบอกหรือไม่บอกให้เขาทำเพราะเข้าใจเพราะเกิดปัญญาเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรที่เราทําความเพียรเพื่ออะไรเพื่อพี่จะเพิ่มกําลังตัวรู้เรารู้ว่าตัวรู้ไม่พอตัวรู้มันไม่พอตัวรู้ที่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 แต่มันเป็นด้วยทิฏฐิไม่ได้ด้วยปัญญาถ้ามีทิฐิทำยังไงก็ได้นะแต่ถ้ามีปัญญาแล้วยอมรับกฎของความจริงถ้าเราเป็นนิ่งโดยที่มีถ้าสี่ทำงานไม่สะดวกเราเลยรับวิบากกรรมนานเข้าเราก็จะเป็นอมาพฤกอมภาตเป็นโลกสารพัดโลกแล้วทีนี้นั้นวิบากกรรมตามมาเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานเป็นโลกกันมากที่สุดพ่ออะไรเพ่อไปฝืนกฎธรรมาชาติตัวนี้นะ แต่ถ้าเรามีการบำบัดแก้ไขร่างกายให้เลือดลมสะดวกเดินผ่านสะดวกปับ๊บเราก็จะไม่เกิดวิบากกรรมที่จะตามเล่นงานเราทีหลังเพราะนาะเห็นพักกรรมฐานอายุเทีท้ายแล้วก็นั่งรถเข็นเปนะ็นน้ำบ๊วยพุกอามภาพากันเป็นส่วนใหญ่เพราะได้รับวิบากกรรมวิบากขันตรงนี้เองแต่ถ้าหากว่าเราทําตั้งใจทําวิปัสสนาตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่ต้องเอาสมถะเข้ามามากนะักก็รู้ว่าสมถะเพื่อยะสาหรับคนที่จิตใจยังไม่สงบ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 มันย็นล้อน อ, อ่นแข็งเข่งตึงอยู่ตลอดเวลาไอการที่เราไปตามรู้อาการเย็นล้อน อ, อ่นแข็งเข่งตึงข้องมันอย่างชัดๆนี่เองมันเป็นสนามให้เกิดตัวเปลี่ยนแปลงจากสัญช ญ, ญายันให้เป็นปัญญาญาณได้เราจึงทําสมถะแบบนี้ไม่ใช่สมถะที่จะไปนั่งเอาฤทิ์เอาฌานเอาเดชนั้นเป็นเรื่องของฤาษีไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ทํากันเพราะเราติดฤาษีมาก่อนเร แ, แยกกันไม่ออกระหว่างพุทธกรม เมื่อเรามีทิฏฐิแบบนั้นก็ต้องเอาแบบนั้นไปก่อนทุกไปก่อนแต่เมื่อเรามารู้แล้วอะไรเป็นอะไรเราก็ตามที่พุทธเจ้าสอนคือมาทำสมถะที่เปลี่ยนวิปัสนาได้เลยแต่สมถะแบบพรามบางทีเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะอะไรก็ให้เกิดความยึดติดความสัาคัญผิดในสมาธิในฌานในดิดในเดชในปฏิหารว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เก่งผู้ความสัคัักยทิฏฐิก็เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นสมาทิฏฐิเช่ไม นั้นตัวในสัญญศิบกับคนจริงมักได้ทำในสมบูรณ์ที่เป็นมักสิบนะเพิ่มสมมาญาณแกสมมาวิมุติเข้าไปอีกแต่ในลักแต่เป็นมัก 8, แปดสมบูรณ์แล้วต้องเป็นมักสิบมันจึงมาแมตกับสัโญญศิบสัญญศิบก็ล่มต้นด้วยสักยะทิฏฐิมักสิบก็เล่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก็เปลี่ยนสัโญญให้เป็นอริยมักเท่านั้นเองนะทีนี้เราจะเปลี่ยนอย่างไรว่าพระโสดาบันสามารถเปลี่ยน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 ออกมาจากสุขออกมาจากทุกข์แต่ใช้ทุกข์ใช้สุขอยู่ไม่ได้ติดเราออกมาจากมันแต่เราใช้มันใช้สุขเป็นยาและใช้ทุกขเงง์เป็นพลังงานนะแค่เป็นพลังงานทุกข์นี่เป็นพลังงานนะแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกทุกข์นี่เป็นตัวไฟเผาเราเนี่เราจะเห็นว่าโอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้แตสรู้มาเป็นคุณมหาศาลต่อพวกเราเอาแค่นี้ก่อนดีไหมถ้ามากกว่า น, นี้เธอจะไม่ไหวนะเนี่ยนี่แค่วิจัยข้อที่หนึ่งเท่านั้นน ะ, ะวันต่อไปเราจะต้องวิจัยเรื่องเรื่องเรื่องเมื่อกี้แล้วเรื่องวิจัยสุขเวทนาเจ้าสิผรากวันต่อไปก็วิจัยเรื่องทุกขเวทนามันจะมากกว่าสุขเวทนาด้วยซ้ําไปทั้งหมดเนี่ยทั้งส า, สามอย่างเนี่ยจะมีขอ้อทั้งสอย่างวันนี้เอาแค่สุขเวทนามันเกิดมาจากอะไร ที่ไปที่มาเอาละเราไปสงสัยอะไรถามมาที่นี้มีใครสงสัยพราะคุณเจ้าด้วยก็ได้สงสัยตรงไหนที่ผมพูดมาผิดตรงไหนครับจะได้ทักทวงแล้วก็จะได้แก้ไขให้ถูกต้องแต่ถ้าหากไม่มีอะไรสงสัยแสดงส олет, มีสองอย่างหนึ่งเข้าใจดีที่สุดสองไม่ได้ฟังเลยไม่ต้ไม่ได้สงสัยครับที่ท่านพูดว่าสิบห้าเปอร์เซนต์ยี่บเปอนฮะผมดูแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอ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 สมดุลนี่ไอย่าอย่าลืมหลักของการสมดุลในมัชชิมาปฏิปทามีทางเดียวปฏิบัติให้มากขึ้นก็ผมคิดว่าปฏิบัติทั้งวันแต่มันไม่ถูกอ่ะอันนั้นอันนั้นไปจมอยู่การกระทํามันเพลินนี่ไงที่ปฏิบัติปฏิบัติตอนเปลี่ยนการเปลี่ยนของดวงตาคือพับตาขึ้นลงใช่ไหมการพับตากระลึมตานี่มีความหมายนะพับตาเป็นเกิดหรือเป็นดับลืมตาเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าอ่าเนี่ยแค่เนี้ดูแค่นั้น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 แล้วเบอว่าอาการที่หนักหน่วงทรวงทับหายไปมันก็เป็นดับละดับทุกงในแง่ของรูปแล้วการเกิดดับพลิกกันไปพลิกกันมาต่สินว่าสบายหรือไม่สบายเบาหรือหนักแต่แง่ของจิตในแง่ของนามมีระการเดียวเกิดเป็นเกิดดับเป็นดับแต่ในแง่ของรูปนั้นบางครั้งเป็นเกิดบางครั้งเป็นดับ แล้วแต่พิกันไปพิกกันมาเพ่อแม่อนิจจังไงแต่นาำล้วนเป็นเหนืออนิจจังเพราะนั้นมันเป็นเป็นมติเดียวเห็นหรือยังหายใจเข้าออกก็รู้เกิดกิดดับใช่ไหมแต่ตามรู้ไหมหายใจนี้หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไม่สบายหายใจออกสบายระหว่างการเชื่อมต่อระหว่างเข้ากับออกเนี่ยได้ตามรู้ไห ม, ไมน่าหน่ะเห็นไหมให้ตามรู้ตรงนั้นทีนี้ภาพตากระลุมตาเนี่ย ภาพแล้วก่อนจะลืมรูปไม่ว่าจะลืมขึ้นอย่างไรหรือก่อนจะพับรูปไม่ว่าภาพลงอย่างไรเนี่ยตรงนี้คือความละเอียดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องรูปทําบ้างก็ได้ไม่ทำมันไม่ได้นะมันจะต้องมีทักษะจากรูปไปแล้วมันถึงจะไปเกิดอยู่ในเกิดญาณปัญญาในใจได้ในเมื่อรูปยังยังไม่ชนานาญเราจะไปดูใจได้ไงนี่มันยากตรงนี้เองเรองเรื่องรูปที่เราตามรู้อยู่เนี่ยแต่ว่าจะไปดูทุกอย่างมันไม่ได้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 ถ้าเราเห็นแก่ทั้งที่เราท่านบอกเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเรายังรับไม่ได้อย่างที่ท่านบอกก็เป็นสักยทิฏฐิอยู่นั่นเองเราก็ทําตามพฤติกรรมของเราไม่ได้ทําตามพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นทิฏฐิลัทธิยิงเกิดขึ้นอย่างไงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ถ้าขยายความไปยังขยายความยิ่งขยายความเป็นร้อยอย่างก็เป็นร้อยลัทธิลัทธิก็มาจากคำว่าทิฏฐินั่นแหละลัทธินิกายน่ะมันึแยกไปความเห็นฉันว่าอย่างนี้จะว่าไงพระพุทธเจ้าชู้ฉันไม่ได้เอางั้นอ่ะ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 มันต้องรู้บ้างรู้ครึ่งหลงครึ่งหนึ่งในอัตราที่อัตราส่วนที่เท่ากันมันก็จะเป็นสมดุลเพราะมันกฎของการรู้ก็มาจากตัวเกิดดับเหมือนกันหลักเกณฑ์เดิมของมันเพราะนั้นบางคนอยากให้รู้แต่ลายเวลาคุณก็เครียดตายเท่านั้นเนละใช่ไหมเออคุณก็ต้องผ่อนคลายไอ้ความหลงความเผลอทําให้เราผ่อนคลายไงพอจู่รู้ขึ้นมาอะใช่ไหมอ่ะเรื่องนี้พิจารณาให้ดีนะ ไม่ต้องเชื่อตามที่มาบอกก็ได้พี่ได้ดีเพราะนั้นมันทั้งรู้ทั้งหลงมันถูกแล้วรู้บ้างหลงบ้างแต่ใ น, นอัตราเท่ากันในร้อยนาทีคุณรู้กับหลงเท่ากันไหมรู้กับหลงยังดูยากระหว่างคิดกับรู้สึกตัวในหนึ่งร้อยนาทีเนี้ยอันไหนมากกว่ากันที่เผลอคิดไปกับรู้ตัวเนี่ยถ้ามันเท่าๆกันนะนั่นถูกต้องแล้วสมดุลมัชิมาปฏิปทาแต่ส่วนใหญ่เป็นคิดมากกว่ารู้ เพราะนั้นปรับความพิดให้น้อยลงปรับความรู้ให้มากขึ้นให้สมดุลกันแล้วมันจะดเท่ากันเกิดแสงสว่างถ้าขั้วบวกมากกว่าขั้วลบไฟก็เกิดไม่ได้ขั้วลบมากกว่าขั้วบวกไฟที่สว่างไม่ได้พอขั้วบวกขั้ขวลบทำงานสมดุลกันปั๊บแสงสว่างเกิดถ้าปรับความรู้สึกกับความคิดให้พอดีปั๊บปัญญาเกิดปรับความรู้กายกับความหนักกับเบาในร่างกาย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 ถ้าเกิดอะมิตรที่เราไม่ชอบถึงจะพูดถูกขนาดไหนเราก็เชื่อไม่ได้เพราะเราไม่ชอบมันอยู่ที่ความทิฏฐิของเราด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวสัมมิทิฏฐิจึงได้เปรียบอันไหนถูกต้องนั้นชอบไม่ชอบมันก็ต้องเอาเรีวยวสมาทิฏิแต่ถ้าเป็นมิตรสักยะทิฏฐิอยู่ฉันชอบฉังที่จะฟังคุณฉันไม่ชอบฉันไม่ฟังเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ทิฏฐิด้วยตัวนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเขาจะให้ดีนะหลงบางรู้บางถูกต้องแล้ว ถ้าหากว่าโดวชอบโดยชอบนั้นเกิดด้วยปัญญาเรามาเรียกว่าชอบเราเรียกว่าปีติเป็นธรรมปีติสุขังเสติมันไม่ได้ชอบด้วยกิเลสมเ ไ, ไม่ไม่ผิดถ้าธรรมะธรรมะปีติไม่ผิดนั้นมันเป็นธรรมชาติว่าเกิดก็ตรงที่ว่าเกิดความชอบตรงนั้นทําให้หลงหล ง, ลงหรือว่าเพลินหรือว่าชอบด้วยความเข้าใจหรือด้วยความไม่เข้าใจตรงนั้น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 เพราะว่าลักษณะที่เราเพิ่งปฏิบัติเนี่ยความละเอียดอ่อนตรงนี้ยังไม่พอแต่สิ่งที่มาพูดไปเนี่ยคือคือหมายความเห็นภาพทั้งหมดไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดอะภาพทั้งหมดมเป็นอย่างเงี้ยแต่ใครจะว่าถูกวผิดก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกรู้แล้วมันสบา ย, ร, บายรู้แล้วมันผ่อนคลายรู้แล้วมันสงบเป็นเพื่อ อ, อะไรอุปัสสมายะอภิญ ญ, ญาญสัมโพธายะสังวตติมันเป็นน เ, เพื่อสิ่งนั้น